เวลาเราเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยแทนที่จะเอายามารักษาเขาบอกว่ามันจะต้องเอาหนามยอกแล้วเอาหนามบงพอเรารู้สึกว่าได้กินยาหรือได้รับอะไรที่มันดีพอรู้ว่ามันน่าจะดีเรารู้สึกดีและความรู้สึกดีที่ว่ามันไม่ใช่แค่รู้สึกแฮปปี้ทางจิตใจแต่พลัสโบเอฟเฟกบางทีมันทําให้การปวดลดลงได้จะบอกว่าเขาไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์เทียมเขามีเหตุผลหมดคืออะไรที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์การจะทําให้คนเชื่อมันมีเหตุผลในแบบของเขาหมดเลย You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์พอ d แคสตวิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวถ้าต้องเถียงกับใครสักคนค่ะบนสิ่งที่แบบว่าพิสูจน์ ได้มีเหตุผลมันก็จะดูเป็นการเถียงหรือการพูดคุยที่น่าจะมีทางออกร่วมกันได้แต่ถ้าลองจินตนาการว่าเราต้องเถียงกับใครสักคนที่ พิสูจน์อะไรก็ไม่ได้มีข้อสันนิษฐานใหม่ๆออมันจะจบลงยังไงสิ่งนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้นึกถึงคำว่าซูโดใ e n อนหรือว่าวิทยาศาสตร์เทียมนะคะแต่ว่าเราคุยกันเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของวิทยาศาสตร์มาเยอะและ้วแต่วิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยมันคืออะไรมาคุยกันในใดๆในโลกโล้นฟิสิกส์วันนี้นะคะอยู่กับฟังรัตโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอัดวรงจันทมาศครับ ถ้าเราจะทําความเข้าใจวิทยาศาสตร์เทียมเราอาจจะย้อนกลับไปไดีไหมคะพี่ปองแปงดูเป็นคําถามแบบดูง่ายๆดูง้ๆนะแบบว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรคะพี่ปองแปงเฮ้ยมันไม่ใช่คําถามที่ง่ายๆง้ๆนะคือเป็นคําถามที่ดีคือวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันเจริญมากแล้วมันก็ขยายกิ่งก้านสาขาไปยังด้านต่างๆเยอะแยะมากมายจนกระทั่งการจะไปให้คําจํากัดความว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรเนี่ย มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่เราก็พอจะบอกได้ครับว่าออวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีกระบวนการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการที่มีความจำเพาะเจาะจงอย่างหนึง่งนั่นก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนตั้งแต่เด็กอะ่ะนะก็มันจะเริ่มจากการสังเกตก่อนอนะฮะแล้วเอาผลการสังเกตเนี่ยมาตั้งสมมติฐานนะฮะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่แล้วก็ มาทำการทดลองหรือเก็บหลักฐานเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนั้นทำการทดลองหรือเก็บหลักฐานมากพอเราก็จะได้เป็นชุดข้อสรุปหรือทฤษฎีบางอย่างออกมามเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าถามว่าอะไรเป็นหัวใจของมันในกระบวนการนี้คำตอบก็คือการเก็บหลักฐานและการทดลองเป็นสิ่งสำคัญมากมถ้าเราศึกษาอะไรสักอย่างแล้วเราใช้การทดลองกับการเก็บหลักฐานนะฮะเชิงประจักษ์มาตัดสินข้อเท็จจริง มันก็จะเป็นวิทยาศาสตร์และถ้าฟังดูแบบนี้ถ้าฟังบอกว่าเวลานึกถึงคําว่าวิทยาศาสตร์เราจะนึกถึงว่ามันดูมีเหตุมีผลเข้าใจแบบนี้ได้ไหมคะก็ไม่ผิดแต่ว่าอันที่ความเชื่อที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เขาก็มีเหตุผลของเขานะครับคืออะไรที่ดูที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันเขาก็จะบอกว่าอ๋อนี่มันก็เป็นเหตุผลของเขาอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วมันมีตัวอย่างไหนไหมคะที่ทําให้เราเห็นภาพว่าสิ่งนี้ถูกบอกว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์ หนึ่งในวิธีแยกวิทยาศาสตร์ออกจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์กออ็อาจจะเรียกได้ว่าอย่างนี้ครับคือมีนักปรัชญาคนหนึ่งเขาชื่อคุณเขาปอปเปอร์เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนพอจะถูกพิสูจน์ว่าผิดได้หลายคนอาจจะบอกว่าวิทยาศาสตร์คือศาสตร์ที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันถูกหรืออะไรแบบนั้นแต่คุณเขาปอปเปอร์มองว่าเฮ้ยไม่ใช่ วิทยาศาสตร์เนี่ยต้องชัดเจนจนมันถูกพิสูจน์ว่าผิดได้ถ้ามีคนสร้างทฤษฎีหรือสรรมการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทดลองออกมามันไม่ตรงไปตามนั้นเนี่ยทฤษฎีนั้นก็ผิดดังนั้นทฤษฎีนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์คือถูกพิสูจน์ว่าผิดได้คือะคะถ้ามันผิดไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มันมเป็นแค่ทฤษฎีที่อาจจะไม่อาจจะมีขอบเขตการใช้งานที่ที่ไม่ได้กว้างขวางน ะ, ะแล้วเราอาจจะต้องการทฤษฎีใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับในขณะที่อะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์เทียมมักจะ คลุมเครื อ, อจนไม่มีทางผิดยกตัวอย่างนะเช่นถ้าผมบอกว่าผมจะต้องใช้พลังศรัทธาในการรักษาโรคสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าโรคไม่หายเขาก็อาจจะพูดได้ว่าเราศรัทธาไม่พ อ, อแล้วศรัทธาเนี่ยมันวัดเป็นเลขไม่ได้ว่ามันวิ่งไปถึงไหนแล้วดังนั้นมันก็ไม่มีวันผิดมผมพูดกว้างๆแล้วกันเช่นการไปดูลายลายนิ้วมือหรือลายมือของเด็กตั้งแต่ยังอายุน้อย การตรวจดีเอของเด็กตั้งแต่อายุน้อยๆการวัดรูปล่างทางกะโหลกของเด็กตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วมาทํานายว่าในอนาคตเด็กคนนั้นเขาจะถนัดอะไรโตมาควรจะเรียนแบบไหนอย่างไรจะได้สนับสนุนถูกทางอันนี้วิทยาศาสตร์เทียมอมเทียมมากๆสมมติผมมีลูกแล้วกันมสมมุตินะแล้วผมฟัดออกมาแล้วบอกว่าเด็กคนนี้ย่โตมาหมอจะเป็นนักฟุตบอลมากเลยต่อไปต้องได้บอลโลกนะ่ <laughs> เป็นนักฟุตบอลโลกแนะ่อนอน <laughs> เราสุดท้ายเขาไม่ได้เป็นเนี่ยจะอธิบายยังไงเขาก็ไม่มีทางผิดเขาอาจจะบอกว่าผมสนับสนุนไม่ถูกวิธีสนับสนุนยังไม่เต็มที่มันไม่มีทางผิดเลยแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่นะฮะมันมีศาสตร์อยู่ศาสตร์หนึ่งซึ่งเก่าแก่มากเขาเรียกว่าฟรีโนโลจีเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินค่ะฟรีโนโลจีเนี่ยเป็นศาสตร์วิทยาศาสตร์เทียมที่อ้างว่ารูปร่างของกะโหลกมนุษย์เนี่ยมันจะบ่งชี้ถึง ลักษณะของสมองหรือความถนัดของมนุษย์คนนั้นได้ก็จะมีถ้าลองเซิร์ชดูฟ r e นโลจีนะฮะก็จะเป็นรูปของคนลักษณะกะโหลกแบบต่างๆมีคนเอาเครื่องวัดลักษณะความยาวกะโหลกอะไรต่างๆอของเด็กมาดูว่าเด็กโตมาจะถนัดอะไรแบบไหนแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่ของใหม่มก็แค่เปลี่ยนจากการวัดกะโหลกมาเป็นอะไรที่ดูดูทันสมัยขึ้นตัว DNA เตรวจลายมืออะไรพวกนี้ อ, อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เทียมนะครับ งั้นเรามาลองไปดูเหมือนกับมันมีอะไรที่จะช่วยเราในการตัดสินได้ว่าแต่ละอันน่ะมันจะเป็นเทียมหรือเป็นวิทยาศาสตร์จริงจดีไหมคะอาจจะไปทีละองค์ประกอบดีไหมคะ อ, ะอย่างแรกเลยก็คือวิทยาศาสตร์แท้มันจะชัดเจนมากแล้วก็ถูกพิสูจน์ว่าผิดได้น ะ, ะถ้ออยแถลงของมันจะมีความชัดเจนพออาจจะเป็นสมการเปเรอะไรเงี้ยโอ้ย อ, อย่างเงี้ยมันมันมันถูกพิสูจน์ผิดได้ง่ายมากเลยแต่ขนาที่วิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยโอ้คลุมเครืออมไม่มีทางบอกว่าผิดอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งในการดู อย่างที่2คือมันเป็นอะไรที่ขัดกับกฎวิทยาศาสตร์ที่เรารู้กันดีอยู่แล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีเราก็พัฒนามาไกลขนาดนี้แล้วสร้างกฎอะไรที่มันชัดเจนแล้วแต่วิทยาศาสตร์เทียมก็จะไปแห่เขานะครับเช่นกฎอย่างหนึ่งทางฟิสิกส์ที่ชัดเจนมากเรียนกันมาตั้งแต่เด็กก็คือกฎการอนุรักษ์พลังงาน ห, หมายถึงว่าพลังงานในเอกภพเนี่ยไม่มีทางที่จะถูก สร้างให้เพิ่มขึ้นได้ค่ะไม่มีทางที่จะถูกทําให้หายไปได้ค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆนาน า, นาแต่มันจะต้องมีปริมาณคงตัวเสมอทีนี้วิทยาศาสตร์เทียมก็จะบอกอ๋มเนี่ยนะเขาค้นพบวิธีการสร้างเครื่องจักรที่ผลิตพลังงานออกมาให้เราได้อย่างไรที่สิ้นสุด<อ>ซึ่งไอ้เครื่องจักรตัวนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมากแล้วนะ<อ>เขาพยายามคิดกันมาตลอดแล้วมันไม่เคยสําเร็จอไม่เคยสําเร็จจน นักฟิสิกส์รู้ว่าอ๋อที่แท้มันไปขัดกับกฎฟิสิกส์ตรงนี้แต่ทุกวันนี้ถามว่ายังมีไหมยังมีมีอยู่เรื่อยๆขอเงินคนโน้นคนนั้นมาระดมทุนทำสตาร์ทอัพอะไรอะเครื่องผลิตพลังงานไร้ที่สิ้นสุดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆบอกว่าโหเนี่ยจะแก้วิกฤตพลังงานโลกน้ํามันถ่านหินโซล่าเซลลอะไรจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช้เครื่องจักรผลิตพลังงานไร้ที่สิ้นสุดนี่ดีกว่าซึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์เทียม ฟังดูเป็นชื่อของโดโเมรมอนแบบ <c oughs> ของพิเศษโดโเมรมอนมากเลยน ะ, ะโอ้โเขา ม, มันมีชื่อนะเขาเรียกเครื่องจักรนิรันอ อ, อยิ่งใหญ่นะดูโรแมนติกอก็อคือมันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ที่มันมีอยู่ที่มีอยู่และถูกพิสูจน์มาเป็นร้อยๆอปีแล้วว่าหลักนี้มันถูกคืออะไรก็ตามถ้านักฟิสิกส์เห็นทุกวันนี้นะครับว่ามันขัดกับกฎฟิสิกส์เช่นเนี่ยถ้าเห็นกระบวนการอะไรสักอย่างที่พลังงานมันมันไม่คงที่ เราจะต้องกลับไปเช็คทฤษฎีหรือการทดลองด่วนเลยว่าเฮ้ยการทดลองมันต้องมีที่ผิดอะไรสักอย่างหนึง่งเราจะไม่คิดว่ากฎฟิสิกผิดนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเกิดไม่ได้เป็นคนเปะ๊ะกฎทางฟิสิกหรือว่ากฎทางวิทยาศาสตร์เยอะมีวิธีอื่นไหมคะที่จะดูได้อีกว่าอันไหนเป็นวิทยาศาสตร์เทียมหลักการอื่นๆก็มีเช่นวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยมักจะมีการเก็บข้อมูลที่ไม่รัดกุมหรือบางทีก็เขาเรียกว่ามันมีบ i a s ในการเก็บข้อมูลอยู่เยอะ ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับการรักษาที่ เ, เป็นวิทยาศาสตร์เทียมเนาะเรื่องหนึ่งที่มันดังมากดังมากแล้วมีคนเชื่อเยอะด้วยเขาเรียกว่าโฮมิโอพาซีเคยได้ยินไหมครับไม่ค่ะโฮมิโอพาซีนะฮะก็คืออันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เทียมนะฮะ อ, อย่าไปเชื่อนะอคือเขาจะบอกว่าเวลาเราเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยแทนที่จะเอายามารักษาเขาบอกว่ามันจะต้องเอาหนามยอกแล้วเอาหนามบงโฮมิโอพาซีก็จะบอกว่า เราจะเอาพิษสารพิษบางอย่างเนี่ยเอามาใส่น้ําสารพิษเอาไม่น้อยๆนะเอามาใส่น้ํเขย่าเขย่าวให้มันทั่วกันเสร็จปุ๊บหยิบมาสักนิดนึงเนี่ยเอามาใส่น้ําอีกใหญ่ๆอีกแท๊งหนึง่งเขย่าวขยาว่าแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันเจือจางมากแล้วก็ดื่มเข้าไปใช้ในการรักษาโรคได้เนี่ยโฮมิโอพาธีโอแล้วทีนี้พอคนดื่มเข้าไปอถามว่ามีคนหายไหมมีคนรู้สึกดีขึ้นไหมคําตอบคือ มีคนรู้สึกดีขึ้นแน่นอนถามว่าเพราะอะไรยาหลอกเหมือนหลักการยาเคยได้ยินใช่ไหมฮะเคยได้ยิน1คือหลักการยาหลอกหรือ placebo effect ก็คือว่า placebo effect นี่เป็นปรากฏการณ์ที่จริงๆเรายังไม่ได้เข้าใจเต็มที่นะแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่พอเรารู้สึกว่าได้กินยาหรือได้รับอะไรที่มันดีพอรู้ว่ามันน่าจะดีเรารู้สึกดีและความรู้สึกดีที่ว่ามันไม่ใช่แค่รู้สึกแฮปปี้ทางจิตใจ แต่พล a สโบเอฟเฟกบางทีมันทําให้การปวดลดลงได้ทําให้อาการคลื่นไส้อะไรพวกนี้ลดลงได้นะทั้งที่จริงๆไอ้ยาตัวนี้ไม่ได้มีผลเชิงเภสัชอะไรเลยแต่ ค, ความรู้สึกเรามันไปแล้วถามว่ามันเกิดจากอะไรลึกๆเนี่ยตอนนี้เขาก็หาคำตอบกันอยู่แต่มันมีวิธีการออกแบบการทดลองเพื่อคัดผลจากยาหลอกทิ้งได้อยู่อตอนนี้แต่ในยุคโบราณเนี่ยบางทีเกิดกินแล้วอุ้ยรู้สึกดีจังเลยอ่ะก็บอกว่าได้ผลนี่ เขาก็เชื่อกันมาหรือบางทีตัวโรคเนี่ยนะครับเวลาป่วยด้วยโรคอะไรสักอย่างสมมติเป็นไข้ก็ได้ไข้บ้างปวดท้องบ้างอะไรบ้างมันไม่มีทางอ่ะที่โรคมันจะคงที่ตลอดไม่ขึ้นไม่ลงเลยบางทีมันกินยาเข้าไปปุ๊บอาการของโรคมันมันดรอปลงช่วงนั้นพอดีว่าเอ้ยจู่ๆช่วงนั้นโรคมันอาจจะเบาลงโดยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นผลจากยาหรือเปล่ามันมีหลายปัจจัยเนาะใช่เออมันเป็นเหมือนความบังเอิญก็แล้วกัน พอเห็นความบังเอิญว่ามันดีขึ้นก็ไปเชื่อว่าไอ้วิธีนี้มันถูกต้องนะครับซึ่งไอ้ ก, การรักษาในลักษณะนี้เนี่ยถามว่ามีข้อเสียไหมไอ้โฮมีโอพาซีที่บอกว่ามันเป็นการเอาเอ า, เอ า, เอ า, เอาพิษมาเจือจางขนาดนั้นอนะ่ะมันไม่เป็นพิษแล้วแต่มันก็ไม่เป็นยาด้วยดังนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายไหมไม่แต่ถามว่าเกิดพิษภัยอะไรคําตอบคือเกิดในกรณีที่ถ้าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยแทนที่จะไปรับการรักษาที่มันถูกต้องค่ะนะฮะ มารับยาในลักษณะนี้แล้วก็ปล่อยให้โรคมันลุกลามเรื้อรังต่อไปเนี่ยต่อไปมันก็อาจจะสายเกินการได้เหมือนกันไอ้แบบนี้มีบ่อยนะครับพูดไปเนี่ยก็อยากให้ความรู้เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าการรักษาที่เป็นวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตมนุษย์เยอะมากแล้วไม่ใช่มีแค่โฮมิโอพาซีนะครับก็จะมีเยอะเลยแนวหนึ่งผมจะเรียกว่าแนวเกี่ยวกับการบำบัดด้วยพลังชีวิตแล้วกันคือมีความเชื่อว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะน้องฟัง มีพลังชีวิตไหลเวียนอยู่ถ้าการพลังชีวิตเนี่ยมันสะดุดลงก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยพลังชีวิตนี้ก็จะเรียกต่างๆไปนานาตามแต่สำนักบางก็เยกออร่าจักระนะเรียกเป็นนารุโตเลยเรียกแบบอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเออพวกนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เทีย ม, มนะบางทีก็มีคริสตัลฮิลลิงหินรักษาโรคเป็นผลึกหินที่เชื่อว่าถ้าเอามา โดนตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วมันจะทําให้โรคหายอนี่ฟังดูแบบไม่น่าเชื่อใช่ไหมคนเชื่อเยอะมากคริสตัลเฮลิ่งแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ราคามูลค่าตลาดสูงมากขายกันราคาสูงผมไปที่วต่างประเทศนะเผาไม่บอกว่าประเทศไหนโหขายกันแบบบุ๊บบับบุบบับอ่ะมันอาจจะไม่ได้ทํางานถูกตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ส่งผลต่อจิตใจมันไม่มันไม่ได้ทํางานตามวิทยาศาสตร์อะไรเลยฮะแต่มันอาจจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้น ใช่แล้วก็หลายอย่างอ่ะมี Energy m เม i c i n e อะไรพวกนี้นี่ผมไปเจอมาด้วยอันหนึ่งตอนทำหาอ่านเรื่องนี้การทำันตกรรมด้วยพลังจิตคือแทนที่จะไปหาหมอฟันใช่ไหมปวดฟันฟันผุอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะใช้แบบพลังวิเศษในการรักษาฟันที่ปวดเนี่ยให้หายไม่ต้องอุดฟันไม่ต้องอะไรเลยซึ่งถ้ามันเป็นจริงนะมันจะดีมากเพราะนี่คือปวหมอฟันใช่ผมแบบ หมอฟันนี่เป็นอะไรที่นี่ผมไม่ได้ไปหามาปีนึงแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วนะพี่ก็น<ด>ี่ยังไงอยากให้มันเป็นจริงแต่มันไม่จริงไงนะครับ อ, อเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดเราเราจะเห็นนอกจากในแง่เนี้ยที่แบบมันเป็นทางการรักษาทางอะไรไงนะพี่เราดูข่าวเราก็จะเห็นปรากฏการณมหัศจรรย์อะไรบางอย่างที่ทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวแบบเนี้ยอยู่ถ้าเราดูตามช่องต่างๆอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราอธิบายมันว่ายังไงคะพูดถึงปรากฏการต่างๆเนาะผมเยอะแยะเลยแต่ว่า มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันคลุมเครือมากแล้วตอนเด็กเนี่ยผมก็เคยทำการทดลองด้วยนะออะไรคะคือเขาเรียกว่าไม้ดาวซิงเคยได้ยินไหม D O W S I N G ไม้ดาวซิงคือมันจะเป็นไม้รูปเป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นบางทีก็ใช้ไม้บางทีก็เป็นเหล็กเหล็กรูปตัว L อือถือไว้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งจิตว่าเฮ้ยอยากเจออะไร นี่มันเครื่อง GT 200บอกใช่ใช่แบบนั้นเลยแล้วพอเดินแล้วพอเดินเช่นผมตอนเด็กผมทดลองกับหาน้ําบาดาลที่บ้านบ้านอยู่ต่างจังหวัดในเวอร์ชั่นน้ําบาดาลใช่ก็ลองเดินไปพอมันหันมาตัดกันน่ะพอเหล็กมันมาตัดกันอ่ะถือลุ่มหลวมนะฮะพอมันมาตัดกันก็ขุดอ๋อแล้วพบว่าผมก็ให้คุณพ่อช่วยขุดพ่อขุดจนแบบมันลึกจนถึงหัวแล้วว่ายังไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วมันก็คลุมเครือมากคนที่เชื่อก็อาจจะบอกว่าอะไร ยังลึกไม่พ อ, อหรือว่าถือผิดวิธีหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะ่ะเออแต่ว่าทุกวันนี้ไอ้การถือไม้ดาวซิ่งก็มีหลายรูปแบบบางทีก็เป็นไม้รูปตัววายอะไรเงี้ยฮะทีที่200เนี่ยใช่เลยก็คืออาศัยหลักการที่ว่าบางทีมนุษย์เรามีการเคลื่อนไหวหรือเกร็งกล้ามเนื้ อ, อโดยโด ย, โดยที่จิตใจเราไม่ได้สั่งออกมาอยู่แล้วมันก็อาจจะไปทําให้ไม้มันเกิดตวัดอะไรพวกนั้นอยู่ก็คือเป็นเครื่องที่อาศัยหลักการวิทยาศาสตร์เทียมใช่เทียม เทียมแน่นอนเทียมจะไม่รู้จะเทียมยังไงล่ะเออแล้วก็ปรากฏการใช่ไหมมีอะไรแล้วนะวิทยาเทียมเดี๋ยวสรุปสรุปกันนิดนึงตอนแรกก็คือพวกคลุมเครือมากสองก็คือผิดหลักฟิสิกผิดหลักวิทยาศาสตร์ที่รู้กันดีนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลไม่เพียงพอเก็บข้อมูลไม่ชัดเจนไม่เพียงพอต่อไปฮะปรากฏการต่างๆใช่ไหมมโนอ๋อมโนเอาเองอันเนี้ยคือจะบอกว่าเขาไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้เขามโนอย่างมีเหตุผลในแบบของเขา เช่นอะไรรู้ไหมคนที่เชื่อเรื่องโลกแตกอืยังไงนะคะวันสิ้นโลกโลกแตกเนี่ย อ, อก็จะแบบว่า เ, เดี๋ยวโลกจะแตกแล้วเราเตรียมตัวโนอนนั่นนี่ด้วยวิธีต่างต่างแนวคิดเรื่องโลกแตกเนี่ยมีมาตั้งแต่โอ้โหหลายร้อยปีทุกวันนี้ก็ยังจะแตกอยู่เรื่อยๆแต่โลกโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหม0 0นสอนกิโลเมตรมันไม่แตกนะฮะมันไม่แตกง่ายขนาดนั้นนะ คือเอาระเบิดนิวเคลียร์มาถล่มกันตุ่มตําตุ่มตําโลกก็ไม่แตกง่ายนะอืเออเขาก็อาจจะเหตุผลว่าเออที่แตกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอุกกาบาตมันมาถล่มอะไรพวกเนี้ที่คาดไม่ถึงที่คาดไม่ถึงแต่ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีของเราดีมากเรามีการเฝ้าระวังวัตถุที่มีโอกาสจะเป็นอุกกาบาต ท, ที่เป็นอันตรายอยู่ตลอดเวลาถ้ า, ามันใหญ่พอเราเห็นวงโคจรเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึงร้อปีข้างหน้าไม่เป็นอันตรายเลย ถ้ามันจะเข้าโลกมาก็จะเป็นอุกบาตเล็กๆที่เราอาจจะตรวจจับไม่เจอแต่<ะ>โลกไม่แตกแน่นอนอบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมโลกต้องรีบไปพอถามลึกๆเข้าบอกว่าน้ําจะท่วมโลกแล้วไปซื้อที่ดินตรงนั้นสิเดี๋ยวผมขายใแบบนี้ก็มีเริ่มเมไม่ใช่ละเริ่มมาแนวะไม่มันมีน<ม>ีจ้จริงๆโ okay. อเคหรือบางทีก็จะแบบว่าโลกมันจะแตกเพราะดาวเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวมันจะเรียงตัวอย่างเหมาะสมเป็นเส้นแล้วมันจะส่งพลังงานมายังโลกของเรา ทำให้โลกเนี่ยได้รับพลังงานบางอย่างซึ่งก็ไม่รู้พลังงานอะไรแล้วมันก็จะแตกอทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยฟิสิกส์เราศึกษามาขนาดนี้นะฮะเรารู้ดีว่าดาวต่างๆที่มันจะส่งผลต่อเราได้เนี่ยมันส่งผลได้แค่แสงกับแรงโน้มถ่วงหลักๆเลยนะอนุภาคอื่นๆนิวติโนอะไรต่างๆเนี่ยเขาอยากจะจับให้เจอมันก็แทบจะจับไม่เจออยู่ละดังนั้นพลังงานที่มันจะส่งผลให้โลกแตกหรือจะส่งผลต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็แล้วกัน นี่ไงพี่บ่งแปงพี่โอปแปงบอกว่านักฟิสิกส์เนี่ยเป็นนักจินตนาการนี่ไงเขาจินตนาการ <c oughs> พูดได้ดีนักฟิสิกส์ต้องจินตนาการแต่สุดท้ายคนจะพูดว่าใครถูกใครผิดเนี่ยต้องเก็บหลักฐานกับการทดลองมาคุยกันดังนั้นถ้าจะพูดว่านักฟิสิกส์จินตนาการเยอะไห ม, มทุกวันนี้ทฤษฎีที่ใช้อธิบาย เ, าเกี่ยวกับพวกอนุภาคมูลฐานที่เล็กที่สุดต่างๆเนี่ยแบบจําลองเต็ไมไปหมดเลยอตอนนี้นะฮะเต็มไปหมดเลยแต่คนที่จะมาพูดได้ว่าใครถูกใครผิดเนี่ย ไม่ใช่ว่าคนนั้นจบปริญญาสูงหรือเปล่าหรือว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนหรือแบบจำลองนีน้คณิตศาสตร์สวยหรือเปล่าไม่เกี่ยวการทดลองเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าแบบจำลองไหนที่ถูกหรือผิดนะครับดังนั้น Experiment ก, กับการเก็บหลักฐานกับ Evidence ์เนี่ยถือเป็น i ิงเป็นสิ่งที่พูดได้ว่าใครถูกใครผิดแต่เนี่ย ไอ้พวกมโนโประมาณว่าโลกแตกโลกอะไรเนี่ยไม่มีการเก็บข้อมูลอะไรเลยแล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยวโลกจะแตกแล้วอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสายมโนคือพิเศษที่มีหลากหลายสายนะนั่นแหละนี่ก็อย่างนึงแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ฟังยังเห็นอยู่ในหน้าข่าวนะพี่หวังแปงเช่นเรื่องราวของสามเหลี่ยม erm uda, เบอร์มิวดาการหายไปอย่างลึกลับของเครื่องบินซึ่งเท่าที่จําความได้เนี่ยเราได้ยินคํานี้มานานมากแหละ อ, อันนี้มันยังไงคะมันใช่สายมโนไหมคะ มโนแน่นอนอคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมันเป็นจินตนาการที่เราลากกันขึ้นมาเองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมจากตรงโน้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงเนื้เป็นสามเหลี่ยมแต่ถ้าไปถามดีๆว่าสามเหลี่ยมนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยตอบไม่ตรงกันสักคนอนะครับแล้วก็ถ้าขุดคุยกันดีๆจะเพราบว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันเริ่มดังมาจากหนังสือที่ออกแนวเชิงนิยายมากกว่าแล้วก็มีหนงมีหนังอะไรแบบนั้น นะแต่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้บริเวณที่เป็นสามเหลีย่ยมเบอร์มิวดาเครื่องบินก็บินกัน ป, ปกติไม่ได้มีหายหมีอะไรไปมากกว่าที่อื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เทียมสายมโนซึ่งออผมไปบรรยายให้โรงเรียนบางแห่งน้อ ง, องๆเขาก็ถามนะว่าสามเหลีย่ยมเบอร์มิวดานี่มันมีพลังอะไรจริงหรือเปล่าออในหนังเนี่ยบางทีถึงขั้นพูดเลยนะว่าใต้สามเหลีย่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมีมหานครโบราณเอตแลนติสในหนังใช่ไหมในหนังในหนังส่งพลังบางอย่างออกมาทําให้เครื่องบินเนี่ย จม <บ S 1> <ไป S 2> ลงไปหายไปไปอีกมิตินึงไปอีกมิติหรือจมไปใต้มาหาสมุทรอะไรก็ไม่รู้ล่ะไม่มีไงนะครับแล้วก็บ้างก็จะเป็นพวกว่าบางทีวิทยาศาสตร์เทียมสายโนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการที่เห็นปุ๊บปกติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องสังเกตนะฮะสังเกตตั้งสมมติฐานแล้วก็อะไรแล้วก็เก็บหลักฐานนะ บางทีไม่เก็บหลักฐานอะไรเท่าไหร่คือสังเกตเห็นอะไรสักอย่างเก็บได้นิดเดียวปุ๊บกระโดดไปข้อสรุปทันทีเลยขาดขั้นตอนไปเออบางทีไอการเก็บหลักฐานมันน้อยไปโดยที่ไม่ได้มองความเป็นไปได้อื่นๆเช่นเห็นแสงประหลาดๆบนท้องฟ้าอืคิดไปละว่าเป็นปรากฏการณ์ลึกลับเช่นเป็นมนุษย์ต่างดาวบ้างล่ะแต่เขามีภาพนะคะเขามีภาพถ่ายเดีเห็นแสงปึ้งเงียก็ไม่ได้บอกไม่มีมีมี ทุกคนที่บอกว่าเห็นมนุษย์ต่างดาว ก, ก็อาจจะเห็นหนึ่งคืออาจจะเห็นด้วยตาจริงๆหรืออาจจะเห็นตอนขาดสติก็ได้หรือไอสิ่งที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ออมีตัวตนอยู่จริงแต่จู่ๆสรุปไปเลยว่าเป็น สิ่งที่มาจากนอกโลกเนี่ยมันเป็นการกระโดดไปสู่ข้อสรุปที่จอะเฉพาะเจาะ จ, จงเกินไปโดยไม่ได้มองความเป็นไปได้อื่นๆว่า ม, มันอาจจะเกิดจากอากาศยานได้ไห ม, มการส่งจํารวดหรือเปล่าเป็นดาวเทียมหรือสถานีอวกาศที่มันโคจรผ่านตอนนั้นซึ่ง ม, มันสะท้อนแสงให้เราเห็นได้หรืออาจจะเป็นบางทีถ่ายรูปออกมาเป็นเป็นนกก็มีมนะฮะบางทีมันมันเคลื่อนผ่านหน้าหน้ากล้องเร็วมากเป็นมแมลงได้ไหมนะ คือมันมีความเป็นไปได้แต่ไปหมดแต่ถ้าเราปักใจเชื่ออย่างมีอคติว่ามันจะต้องเป็นอันนั้นมันก็จะพุ่งไปสู่ข้อสรุปนั้นทันทีซึ่งนักวิทย า, าศาสตร์เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนมีอคติคเราจะพยายามไม่มีอคติในเรื่องของการสรุปข้อมูลแบบนั้นเราจะต้องพยายามถามหักล้างตัวเองเสมอว่ามันเป็นอื่นๆได้ไห ม, มนะครับและถ้าถามเรื่องมนุษย์ต่างดาวทุกวันนี้นักวิทย า, าศาสตร์อยากเจอมาก แต่ยังไม่มีใครเคยเจออย่างเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะฮะก็ยังไม่เจอครับค่ะแล้วแล้วพวกสัตว์ประหลาดล่ะคะอย่างเช่นในในต่างประเทศก็จะมี<อ>แบบตำนานของสัตว์ประหลาดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนับเป็นสายมโนโด้วยไหมคะก็เป็นมโนนั่นแหละแต่เป็นสายแบบ เ, เรื่องลึกลับตำนานแล้วกันผมเรียกนี้ ม, มันก็จะมีทั้งไดโนเสาร์คอยาวที่อยู่ในทะเลสาบล็อกเนสบ้างก็มีออไอ้ตีนโตบิ๊กฟุตเป็นมนุษย์มนุษย์โบราณที่แบบ ตัวใหญ่หลบเล่นอยู่ในภูเขาน้ําแข็งบ้านเราก็อาจจะมีสัตว์ในเทพนิยายแบบนี้อยู่เหมือนกันนะสมัยผมเป็นเด็กอ่ะมีช้างน้ําตัวเท่ามือออกมาเป็นช้างตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็มีหางเป็นปลานะอเออน้องฟังอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ทันคงเกิดไม่ทันแล้วก็จะมีแนวนี้ออกมาเรื่อยๆอเสัตว์มาสัจจานและถิ่นที่อยู่มีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆบางทีก็จะเป็นยเเเป็นนังลบางทีก็จะเป็น เห็นเป็นดวงไฟขึ้นมาอาจจะบอกว่าเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่อะไรพวกนี้พวกนี้มาเรื่อยๆอคนที่เชื่อในเรื่องทะเลสาบล็อกเนสว่ามีไดโนเสาร์คอยาวอยู่ก็อาจจะบอกว่ามันตกค้างมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณแล้วแต่ไม่เคยมีใครเห็นกระดูกมันเลยกระดูกที่เพิ่งตายไปเนี่ยไม่เจอเลยนะอืน้องฟางนึกออกไหมคือเราเจอฟอสซิลในยุคโบราณแต่ที่มันผ่านมาเป็นหลายสิบหลายร้อยปียังเจอเป็นล้านปีก็เจอกระดูกได้แต่ทุกวันเนี้ยถ้ามันยังอยู่ ทำไมเราไม่เจอกระดูกมันเลยทั้งที่มันถ้ามันยังอยู่จริงเราต้องเจอนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันกระดูกมันอาจจะไปหายไปหมดแล้วหรือเปล่ามันไม่ได้เพราะอันนั้นมันเก่าแก่กว่าเดนเสาร์เนี่ยเรายังเจอฟอสซิลเลยทุกวันนี้เราต้องเจอซากกระดูกมันบ้างเราไม่เจอเลยนะครับเราก็มีข้อคัดง้างเหล่านี้อยู่ตลอดจนไปถึงว่าบางทีวิทยาศาสตร์เทียมอาจจะเป็นพวกทฤษฎีสมคบคิดด้วยเช่นการบอกว่ามนุษย์ไม่ได้ไปดวงจันทร์จริงๆ การไปดวงจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องจัดฉาก อ, อันนี้ก็ถือเป็นวิทยาศาสตร์เทียมนะมทั้งที่จริงๆการไปดวงจันทร์เนี่ยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายมีการเอาหินจากดวงจันทร์มามีเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้คือโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดมนะครับอุปกรณ์ที่เขาเอาไปดวงจันทร์เนี่ยบางทียานที่ประเทศต่างๆส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์ถ่ายดูเขาก็เจอหมดอ อ, อ, อพอฟังดูเผลอๆมันมดูเหมือนอุ้ยมีเหตุผล เหมือนจะใช่ใชแต่ว่าถ้ามารีเช็คตามเรียกได้ว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะคมันอาจจะขาดอะไรบางอย่างขาดขั้นตอนอะไรบางอย่างมันขาดแล้วจะบอกว่าเขาไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์เทียมเขามีเหตุผลหมด อ, มอะไรคืออะไรที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์การจะทําให้คนเชื่อมันมีเหตุผลในแบบของเขาหมดเลยพอฟังมาถึงตอนนี้เราคิดว่าออมันน่าปวดหัวเหมือนกันนะวันนี้ <laughs> บางทีเราก็อาจจะหลง อยู่ในวิทยาศาสตร์เทียมในบางเรื่องก็ได้ใครจะไม่รู้เนาะแล้วอย่างนี้พี่บงแปลงแนะนำคนที่ฟังหรือว่าตามรายการเรายัางไงดีคะว่าถ้าวันเนี้ยอะจบรายการปิดปุ๊บออกไปใช้ชีวิตเราควรจะมีแนวทางยังไงไม่ให้เราหลงไปกับบางอย่างที่มามาหลอกเราว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ ย, ยากคือเอางี้ก่อนอันนี้พูดตรงตรเลยนะเวลาผมเห็นข่าวกับคนโดนหลอกน่หก น, นหลอกนั่นหลอกนี่ผมเห็นใจตลอด ไม่ได้ทำตัวเป็นพระเอกนะแต่การหลอกเนี่ยมันแนบเนียนขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อให้เรามีหลักการมั่นคงมากแค่ไหนเนี่ยพวกที่รู้เนี่ยมันก็เหมือนกับการวิวัฒนาการที่มันแข่งขันมาตลอดอเขาก็ากมันก็สู้กันมาตลอดอนะครับดังนั้นผมอาจจะบอกหลักกว้างๆตามที่รู้ในรายการเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์เทียมจะมีลักษณะประมาณนี้นะพอรู้แล้วก็ยึดไว้ก็จะได้ไม่หลงเชื่อแล้วก็บางทีเนี่ย การยึดติดตัวบุคคลไม่ใช่สิ่งที่ดีก็จริงแต่ว่าถ้าเราฟังผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แท้ๆนะฮะหรือผู้ที่มีความรู้วิทยาศาสตร์ออกมาพูดอะไรเนี่ยแล้วถ้าเขาพูดตรงกันสักสองสาคนอันนี้เราก็ควรจะควรจะรับฟังหรือให้น้ําหนักไว้บ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอันนี้ที่สุดจริงๆก็คือว่าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะฮะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากมหนึ่งคือความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานก็ต้องรู้ด้วยแล้วก็การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มันจะช่วยทําให้เรามีตรรกะที่ ที่เอ๊ะได้มากขึ้น อ, อมผมยกตัวอย่างนะเช่นผมไปเจอมีการส่งไลน์ไลน์กลุ่มครอบครัวผมมาอมบอกว่าเออโอ้เนี่ยสาธุได้เลยนะเราโชคดีมากคือมันจะเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งงอกขึ้นมาแล้วล่อเป็นทะเลทรายแล้วเขาบอกว่าดอกไม้เนี่ยมันบานทุกส0่พปีสาธุเราโชคดีมากที่เกิดมาเจอในยุคนี้พอดีอ ม, มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เทียมที่จะส่งผลต่อชีวิตเราแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักดอกไม้นี้แต่ถ้ามีตรกกายวิธีคิดสักหน่อยเราอาจจะคิดได้ว่า แล้ว 4,000 ปีก่อนคนที่เห็นคือใครก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะอะไรแบบนี้เราจะตั้งคําถามอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกพอเจออะไรแบบนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มในครอบครัวผมก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมก็จะสาธุเพื่อให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยสงบอยู่ได้อะไรแบบนั้นแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็เรียนรู้ทั้งส่วนที่เป็นความรู้กับส่วนที่เป็นตรรกะมันก็จะช่วยให้เราตั้งคําถามได้และไม่รีบเชื่อที่สําคัญผมมองว่าอะไรที่มัน กระตุ้นอารมณ์หรือรู้สึกว่ามีแต่ข้อดีอะถ้าเราไม่รีบเชื่อมากคือไม่ต้องรีบเป็นคนแรกที่เชื่อเนื่อออกไหมฮะบางทีเราเห็นอะไรใหม่ออกมาแแบบเฮ้ยัวตกขบวนไว้ ม, มันก็อาจจะถูกวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยหลอกง่ายๆขึ้นก็รอรอดูไปก่อนไอ้ตรงนี้ก็ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเขาก็แนะนํากันอย่างนี้ว่าบางทีเจออะไรใหม่ๆที่น่าเชื่อน่าตกใจมากๆอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบแชร์เราก็เก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็รอผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรต่างๆรอความเห็นที่มากมากก็ อาจจะช่วยให้เราไม่โดนหลอกได้ง่ายขึ้นนะฟังว่าข้อสรุปหนึ่งของวันนี้คือเรียนรู้ที่จะเอ๊ะเอ๊ะสักนิดหนึ่งนะคะกับทุกๆเรื่องก็ใครที่ฟังอยู่ก็ฝากเอ๊ะ ช่วยกันเอง okay. เรื่องต่างๆค่ะก็วันนี้นะคะใดๆในโลกโลนฟิสิกส์ของเราก็เอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทียมมาเล่าให้กันฟังนะคะใครฟังแล้วอยากฟังเรื่องไหนต่อหรือว่ามีเรื่องไหนที่อยากจะแชร์ความคิดเห็นของ ค, คุณก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากกด subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast นะคะและที่สําคัญรายการของเราเนี่ยติดตามได้ในทุกๆ podcast player และคะ่ะเราเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะครับ